Thank mm -hmm. you. สอนของพระพุทธองค์จะตรัสถึงเรื่องของทุกข์ไว้เยอะมากในบทสวดมนต์ก็เราก็จะสาธยายเรื่องทุกข์ค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทางพุทธศาสนานี้ชื่นชมชื่นชอบความทุกข์อย่างที่มีคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นพวกทุกนิยมอันที่จริงไม่ใช่ ที่พูดถึงทุกข์อยู่บ่อยๆก็เพื่อให้รู้จักทุกข์ตามที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่ให้รังเกียจ ด, ด้วยให้รู้จักตามที่เป็นจริงเพื่อที่จะเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องถูกต้องก็ควรจะมีชีวิตที่เป็นสุขคําสอนของพระองค์ก็บอกว่าเราควรเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขให้ถูกต้องอันที่หนึ่งก็คือว่าไม่ไปสร้าง หรือซ้ําเติมความทุกข์ให้แก่ตัวเองหรือไม่ใช่ว่าต้องอยู่แบบยากลาบากคนที่มีเงินมีทองก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่อย่างตัวนีทีเหนียวพงไม่สรรเสริญด้ซ้ําเศรษฐีที่ปินข้าวปลายหักใส่เสื้อผ้าปุปูปาอยู่อย่างระกำลําบากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการซ้ําเติมความทุกข์ให้แก่ตัวเองเมื่อมีเงินก็ควรจะ ทำตนให้เป็นสุขแล้วก็ทำครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความสุขและความสุขที่ว่านี้มันก็จะหมายถึงการมาสุขด้วยก็ได้การมาสุขคือสุขจากสิ่งเสพสิ่งบริโภคไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันิวาการมาสุขสุขจากสิ่งเสพสิ่งบริโภคหรือสุขจากวัตถุพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธการมาสุขแต่ว่าจะต้องให้เป็นสุข ที่ได้มาโดยชอบทมหรือไม่ใช่ไปโกงเข้ามาไม่ใช่ไปเอาเปรียบเข้ามาแต่เมื่อได้มาแล้วนะก็ต้องระวังอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดในการมาสุขเพราะว่าการมาสุขนั้นมันก็เจอไปด้วยโทษมันเหมือนกับคบเพลิงนะที่ทำด้วยกองฟางมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าควันระคายเคืองก็เยอะ แล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นมันก็ทำลายเจ้าของนองทีพระองค์ก็เปรียบมันกับว่ามันกับเนื้อกวางที่ไปหาติดใจในทุ่งหญ้าติดใจในทุ่งหญ้าหญ้าสดที่เขียวกระจีติดใจเพลินจนกระทั่งโดนพรานซึ่งแอบซุ่มอยู่มันยิงเอา นะเพลินในกามก็ทําให้ไม่มองไม่เห็นว่ามันมีอันตรายอยู่รอบตัวนะเพราะฉะนั้นการมาสุขก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาปฏิเสธนะพระพุทธองค์ก็ได้รับความสุขจากการมาสุขนะพอสมควรมีคนถวายอาหารที่ประณีตให้นั่งใส่จีวรหมจีวรที่ดีมีเสนาสนะที่กสะดวกสบาย อันนี้ก็จัดว่าเป็นการมาสุขได้แต่ว่าพระองค์ไม่ติดพระองค์เคยเปรียบเทียบว่าถ้าเทียบกับภาษาว o หลายๆท่านแล้วนี่พระองค์ก็ถือว่าอยู่สบายกว่ามีสาวกบางท่านนี่นะอยู่ด้วยจีวรที่ได้มาจากผ้าบางังศพคือพระหอ่อศพบางท่านก็นะบินทบาทฉันแต่อาหารบินทบาทอย่างเดียวนะเรือว่าเร่งในคอวัดโดยพระทุกดงขววัดมาก แต่พระองค์นี้เรียกว่าอยู่สบายกว่าถ้าจะวัดเอาความเคร่งความยากลาบากแล้วนี่มีสาวกหลายท่านาเช่นพระมหากัะสปะนะั่นที่เรียกว่าเหนือกว่าท่านมากแต่ว่าการที่พระองค์เป็นพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้านี่กระเพาะพระองค์ได้ประลุถึงคุณวิเศษก็คือการที่มีปัญญาจนรู้แจ้งโลกแล้วก็ปล่อยวางได้ เป็นอิสระจากความทุกข์สิ้นเชิงและสามารถสอนผู้คนให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้การนิการมาสุขเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ต้องปฏิเสธถ้าหาว่าเป็นสิ่งที่ได้มาชอบธรรมก็ควรจะใช้ประโยชน์แต่ก็อย่าไปยึดติดนะเพราะว่ามันมีโทษการนี้การที่คนเราจะเห็นโทษของการมาสุขอย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่า เพียงแค่เห็นโทษของการมาสุขอะใช่ว่าจะทําให้ปล่อยวางจากการมาสุขได้อย่างที่เคยได้พูดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าเหมือนกคนที่หิวเดินกลางแดดหิวประหายน้ําคอแห้งนะถ้าเจอน้ําอยู่ข้างหน้าเป็นน้ําสีน้ําอร่อยแม้มีคนเตือนว่าน้ำนี้มีพิษกินแล้วตายหรือว่าอาจจะตาย คนที่หิวมากๆมันก็ไม่ฟังหรอกขอกินเอาไว้ก่อนดับกระหายก่อนเพราะวาความกระหายความทุกข์มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าดับกระหายแล้วจะเป็นอะไรต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องอนาคตนะคนเราก็มักจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งๆที่รู้ว่าน้ำที่กินนั้นเนี่ยมันมีอันตรายมีพิษก็ตามอันนี้พวกเราเนี่ยก็อาจะได้รับ ความรู้ความเข้าใจว่าเนี่ยกามมัศุขมันเป็นโทษแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะทำให้เราห่างไกลจากมันได้ตราบใดที่ใจยังหโหยหิวโหวยหาความสุขอยู่ก็ต้องมีความสุขอย่างอื่นที่ประนีกว่าเข้ามาแทนที่ความสุขอันนี้ได้แก่อะไรนะก็ได้แก่เนคขมัสุขนะคือสุขจากการ ว่างเว้นสุขจากการปลอดโปร่งจากกามที่แรกก็ต้องว่างเว้นก่อนว่างเว้นจากกามนะเพราะว่าถ้าชีวิตนั้นเนี่ยมันเข้าไปพัวพันกับกามเนี่ยมันให้ความสุขจริงแต่มันเต็มไปด้วยภาระมากมันก่อให้เกิดความทุกข์หลายอย่างนะทุกตั้งแต่อยากแล้อยากจะได้ก็ต้องไปดิ้นรนแข่งขัน ไปดิดน้นรนแย่งชิงเขาแข่งขันต้องแข่งกันหาเงินหาทอง mm hmm. ก็เหนื่อยในระหว่างนั้นก็ต้องมีความโกรธมีความไม่พอใจเมื่อได้มาแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุข mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ก็อาจจะอิจฉาพยาบาทคนที่เขาได้มากกว่ารู้สึกเป็นทุกข์ที่ตัวเองได้น้อยกว่าและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งกระตุ้นให้เราอยากได้อยู่เรื่อย และให้เรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้มาอันนี้เป็นยุคบริโภคนิยมเขากระตุ้นกระตุ้นให้เราอยากได้โนูนได้นี่ไม่ว่ามีเงินมากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอไม่สามารถจะซื้อของอย่างที่ต้องการได้ครบถ้วนนะซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่เงินมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เพราะว่ามีมีเงินก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรกรมสำเร็จกรมพิยาดํารงราชานุภาพ ท่าเร า, าเคยเสด็จไปที่เมืงองพนขอนก่นเมื่อประมาณ1 0อปีก่อนตอนนั้นท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยก็ไปหมู่บ้านนึงนะก็พบว่าชาวบ้านนี้เ็าผลิตเองทุกอย่างเลยไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวที่ปลูกพวกพืชผักสวนครัวก็ปลูกฝ้ายก็ปลูกลเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซื้อเสื้อใครอ้อผ้าเอง มันก็ปลูกไม้ก็เลี้ยงท่านบอกว่าชาวบ้านนี้มีทุกอย่างที่ต้องการอาจอยูสองอย่างไม้กิดไฟกับมีดพ้าแค่นี้แหละที่ซื้อจากตลาดที่เหลือทําเองได้หมดปัดจจัย4ี่เพราะฉะนั้นมีเงินมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าไอ้ของที่จะมาขายมันก็มีไม่กี่อย่างเงินมันก็เลยมีความหมายน้อยความโลกของคนก็เลยลดไปตามสภาพ ที่เขาโลภอยากได้เงินน้อยไม่ใช่เพราะว่าความโลภเขาน้อยกว่าคนสมัยนี้แต่เป็นเพราะว่ามันไม่รู้จะซื้ออะไรไม่มีสิ่งที่กระตุ้นความอยากความโลภแต่เดี๋ยวนี้นี่มีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอมีเงินร้อยล้านพันล้านมันก็มีของที่ต้องซื้อต้องหาได้เยอะแยะไปหมดอย่างน้อยก็ไปซื้อหุ้นและมีเงินมากก็ไปซื้อหุ้นเพื่อจะได้เงินมากขึ้นมีเงินมากขึ้นแล้วเอาไปทําอะไรก็ไปซื้อหุ้นต่อ มันมีของที่ต้องซื้อนี่เกินกว่าเงินที่จะมีไม่ว่าจะรวยเป็นหมื่ล้านแสนล้านก็ยังมีของที่ต้องซื้ออยู่ในเงินที่มีอยู่ก็ไม่พอนี่คือสภาพบริพนงยงที่มากระตุ้นให้เรารู้สึกไม่พอสักทีแล้วก็เกิดความโลภอยู่เรื่อยๆคราวนี้พอได้มันแล้วนะมันก็ไม่พอใจเพราะว่า ยังรู้สึกว่านอกจากเรายังมีไม่พอแล้วยังรู้สึกว่าของที่เรามีนี่มันเก่ามันตกรุ่นไม่ว่าจะซื้อมารุ่นใหม่แค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ามีรุ่นอื่นที่ดีกว่าไม่ว่าร่างกายผิวพรรณจะงามแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ายัางงามไม่พ อ, อยังสวยไม่พอก็ต้องไปดินน้นรนไปหาซื้อเครื่องประินโฉมต่างๆมารวมทั้งผ่าตัดเสริมทรงไปโน่นหรือถึงจะพอใจในสิ่งที่มี มันก็ยังทุกข์อีกเพราะว่ากลัวคนมาแย่งกลัวคนมาแย่งหรือกลัวจะสูญเสียสิ่งนั้นไปยิ่งขงโมยกระโจนมันเยอะหรือยิ่งมีการแข่งขันมากคนก็คิดว่าถูกสอนว่าถ้าคุณไม่เดินหน้าคุณก็ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังคุณมีเงินเยอะแต่ถ้าคุณไม่หาอีกคุณก็จะถูกเขาเอาเปรียบคุณมีธุรกิจคุณก็ต้องขยายธุรกิจเพราะถ้าคุณไม่ขยายธุรกิจธุรกิจคุณก็จะถูกกลืนได้ คุก็ต้องพ่ายแพ้ถ้าอยู่เฉยๆนี่ก็จะถูกเขาแย่งลูกค้าไปก็ต้องขยายกิจการดังที่เราอาจจะพอใจว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าระบบมันทําให้เราสื่อว่าเราต้องต้องขยายนะต้องดินน้นรนไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นปลาเล็กถูกปลาใหญ่กินกินอันนี้คือวิธีของการมาสุขวิธีของการที่มันทําให้คนเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อ การที่จะเข้าถึงสุขที่ป็นเนี่ยคือสุขจากการวางเว้นนะวางเว้นจากการรมมันก็คงไม่ได้ว่างเว้นไปได้หมดหรอกแต่ว่าให้เสพน้อยลงอย่างพวกเราอยู่ที่นี่เนี่ยนะมันก็มีสิ่งเสพน้อยลงสิ่งเสพทางตาสิ่งเสพทางหูที่จะให้ความบันเทิงเริงใจมันก็น้อยลงความสะดวกสบายก็ไม่ใช่มีมากคือชีวิตที่เรียบง่าย คนที่ติดอยู่ในการมาสุขเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ได้เสพในสิ่งที่เคยชอบอาหารถูกใจน้ำอัดลมไอติมต่างต่างก็ไม่มนะีเพลงก็ไม่ได้ฟังก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นะแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันเรียบง่ายดีมีเวลาเหลือในการที่จะทาสิ่งต่างๆ ต, ง ต, งตอนนี้เวลาไม่ค่อยเหลือนะ คนที่อยู่ในโลกแห่งการมาสุกนี้เวลาจะไม่ค่อยมีไม่ใช่เพราะต้องวิ่งแข่งต้องไล่ล่าต้องหาสิ่งต่างๆมาให้ได้มากที่สุดเท่านั้นแต่ยังเสียเวลาไปกับการใช้สิ่งเสพสิ่งบริโภคด้วยคือมีแล้วก็ต้องใช้ซื้อมาแล้วก็ต้องใช้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยซื้อมาแล้วมันมีลูกเล่นเยอะมันมีเกมจะไม่เล่นเกมเลยก็กระไรอยู่ซื้อมาแล้วมันติดมากับเครื่องก็ต้องเล่น คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันมันก็ติดเกมมาไว้มีลูกเล่นหลายอย่างนะมีโปรแกรมต่างๆมากมายมีแล้วไม่ใช้ก็กะไรยอยู่ก็เลยต้องใช้พอใช้แล้วก็เสียเวลาคือคนเสียเวลาไปกับการใช้หรือการบริโภคสิ่งเสสนี่เยอะมากเสียเวลาการเลือกเฟนว่าจะใช้อันไหนมีเช่นมีเสื้อผ้าเยอะก็ต้องเสียเวลาการที่จะดูว่าจะใช้อย่างไงจะใช้ในงานไหน จะแต่งชุดอะไรมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเป็นระดับคุณหญิงแกเล่าว่าเนี่ยเวลาจะไปออกงานเนี่ยเปิดตู้เสื้อผ้ามาเนี่ยเสื้อผ้ามีเยอะไปหมดต้องมานั่งคิดว่าจะใส่เสื้ออะไรให้มันเข้ากับกระโปรงหรือว่าผ้าถุงนะถ้าเป็นแบบแต่งแบบไทยแล้วก็รองเท้าอีกตอนหลังแกก็เลยบอกว่าจะใช้วิธีแบบง่งายๆนะแกก็ ตังปฏิญญากับหมูห่คณะแล้วเขต่อหน้าผมด้วยบอกว่าเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้ถ้าเปิดตู้มาเห็นเสื้อตัวไหนก็จะใส่เลยจะไม่มานั่งเลือกแล้วว่าเสื้อตัวไหนอันนี้ขนาดเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เข้าใจนะคําสอนของอาจารย์พนะุทธทาป็นรู้เสื้ออาจารย์พุทธทาก็บอกว่าเสียเวลายเยอะนะไปกับการที่เลือกเครื่องแต่งตัวให้มันเหมาะรวมนั่งเครื่องประดับต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็วิธีแก้คือ เห็นตัวไหนก็ใส่เลยมันทําให้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นอันนี้คือชีวิตของคนที่มีเงินเยอะเขาก็รู้ว่าเขาเสียเวลาไปกับการเลือกเฟ้นสิ่งของเช่นเครื่องแต่งกายรองเท้าคนเราเสียเวลาไปกับการบริโภคนี่เยอะมากเสียเวลาการหานี่ก็อย่างหนึ่งแล้วแล้วก็เสียเวลาการบริโภคมีโทรทัศน์มีซีดีมีดีวีดีมีหนังสือถ้ามันเยอะก็ต้องอ่านให้ได้ทาให้อ่านก็เสียดายเงินหรือต้องดูให้หมดหรือให้ดูให้ได้มากที่สุดในงั้นเสียดายเงิน แค่จัดของให้มันเป็นระเบียบนี่ก็เหนื่อยแล้วบางทีไม่มีที่จะจัดไม่มีที่จะใส่ไม่มีที่จะวางเพราะของมันเยอะไปหมดอันนี้คือสภาพที่เป็นความทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้องกับการมาสุขแต่พอว่างเว้นจากการมาสุขที่รว่าเนกขมมะแล้วเนี้ยชีวิตมันสบายมีเวลามากขึ้นมีเวลาที่จะทำอะไรที่ทสำคัญชีวิตก็เริ่มเริ่มโปร่งเบาแล้วก็เริ่มนิ่งมากขึ้น วุ่นวายน้อยลงแต่ก่อมันมันสุขแบบร้อนร้อนสุขแบบวุ่นแต่ที่จริงมันสบายมากกว่ามันสบายแต่มันรุ่นแต่พอมามาไกลาจากกามมาอยู่ในสภาพชีวิตแบบนี้เนี่ยก็เริ่มสัมผัสกับเนคข ม, มัสุขได้มีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นใจก็เริ่มนิ่งมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเนคข ม, มัสุขอันนี้ถ้าเกิดว่าเราคุ้นกับชีวิตตรงนี้มากขึ้นเนี่ยจนกระทั่ง พอใจกับความสุขที่มันเรียบง่ายจิตใจไม่โหย ห, หากามไม่เรียกร้องไม่ทวิหนหาความสะดวกสบายหรือว่าการ ม, มาสุขก็จะได้สุขอีกแบบนึงเรียกว่าปวิเเวกสุขคือสุขอันเนื่องมาจากความสงัดจากกามมันคล้ายๆกันเนคมาม่สสุขแต่เนคขม่สสุขมันหมายความว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาวุ่น เราไม่ต้องวุ่นกับเรื่องของสิ่งเสพสิ่งบริโภคแต่ว่าใจนี้อาจจะยังถวิลหาอยู่ใจอาจจะยังถวิลหาอยู่แต่ว่ามันไม่มีให้เสพมันไม่มีให้บริโภคเช่นถือศีลแปดใจใจก็ยังนึกกินข้าวเย็นนึกถึงเพลงนึกถึงความบันเทิงอยู่แต่ว่าโดยโดยศีลที่ถือปฏิบัติแล้วก็โดยวิถีชีวิตเนี่ยถึงแม้ใจถวิลหาแต่ว่ามันก็สบายแต่พอ คุณกับเนคข ม, มั ส, สุขเนี่ยใจมันก็เริ่มไม่ทวินหาแล้วก็พอใจกับความสุขที่เรียบง่ายอันนี้เขาเรียก ว, วิเวกัสุขคือสุขจากความส ง, งัดจากกามกมันก็เหมือนกับใหม่ๆก็ต้องอาศัยไกาวิเวกกายวิเวกวเวก็คือสิ่งแวดล้อมที่สงบส ง, งัดไม่วุ่นวายไม่มีสิ่งกระตุ้นเล่ามากไม่ต้องไปรับรู้เรื่องการโฆษณา ไม่ต้องไปรับรู้ความบันเทิงต่างๆตอนนี้มันก็เรียกว่ากายวิเวกต่อไปก็จะเกิดจิตวิเวกจิตเริ่มสงบปอวิเวกกระสุขก็คืออันเดียวกันแหละพอจิตมันไม่ถวินหากามรู้สึกพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายรู้สึกว่ามันสงบตอนนี้ก็เป็นปาวิเวกระสุขแต่ครนี้เท่านี้มันก็ไม่พอเพราะว่าไอความสงบสงัดที่เรามีเนี่ย มันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าบางครั้งนะชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนต้องมีงานมีการต้องไปรับผิดชอบต้องออกไปเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือไม่ผู้คนก็เข้ามาอย่างอยู่ที่นี่เนี่ยนะไม่ใช่มันจะสงบสงบไปได้ตลอดมันก็จะมีผู้คนมาเยี่ยมมาเยี่ยนหรือว่ามีเหตุให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไปรับรู้มันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวาย ในจิตใจได้เดี๋ยวเพราะในยุปัจจุบันเนี่ยมันจะหาที่ที่มันวิเวกจริงๆมันยากละวันี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาใจให้สงบได้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะไม่เอื้อมหน่วยมีสิ่งกระตุ้นจะมีสิ่งยั่วยุจะมีสิ่งยั่วย้ยวยยา <Okay. S 1> ก็ใจก็สงบไม่ถูกลบกวนด้วยโลภะหรือหลกค้า ไม่ถูกลบกวนด้วยโกสะหรือพยาบาทหรือปฏิฆะตรงนี้ก็ต้องอาศัยอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเพื่อที่จะทาให้ให้สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่สามารถจะกระเทือนไปถึงใจได้มันกระทบแค่อายตนะ5แต่ไม่กระเทือนไปถึงใจหรือว่าไม่กระเทือนไปถึงอัตตาตัวตน อันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยธรรมะด้วยเพราะาสติสมาธิสปะชัญญะปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงเหมือนกับที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยลังคาล่วฝนมันั่วลงมาก็รู้ไวไม่ปล่อยให้มันล่วงลดกันมากมายเป็นหาฝนอันนี้แหละก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินะที่ทำให้เราสามารถจะปล่อยวาง ไม่ปล่อให้กิเลสมันลุกลามขยายตัวเข้ามามีความรู้สึกตัวอยู่อย่างเสมอต่อเนื่องไม่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันไม่ปรุงเป็นกิเลสมันไม่ปรุงเป็นตันหามันไม่เกิดความขัดเคืองใจเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เ้าเรียกว่าเป็นสุอีกแบบหนึง่งอุปสมะสุขสุขที่สงัดจากกิเลส สงัดจากกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่มีนะแต่ว่ามันไม่มารบกวนไม่รบกวนก็เพราะว่าสามารถที่จะรู้เท่าทันกิเลสไม่ปล่อยให้มันลุกลามนะมันเกิดขึ้นก็รู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นมันมันเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นมีแต่การเห็นไม่เข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านเน้นอยู่เสมอเห็นไม่เข้าไปเป็นไม่มีผู้เป็นมีแต่การเห็นเฉย ไม่มีผู้เห็นด้วยนะมีแต่การเห็นนะกิเลสมันเกิดขึ้นก็เห็นมันนะจิตก็เพื่อมก็เห็นมันเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้สงัดจากกิเลสได้กิเลสไม่มารบกวนที่ไม่มารบกวนเพราะไม่ใช่ว่าเก็บตัวอยู่แต่ในที่สงบแต่ถึงแม้จะไปเกี่ยวข้องกับผู้คนถึงแม้จะไปเสพไปใช้วัตถุสิ่งเสพนะก็ใจก็ไม่เพลินไม่ย้อมติด มีปัญญาที่รู้ทันความไม่เที่ยงความแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นเรีนะยกว่ารู้เท่าทันมีปัญญารู้เท่าทันโลกธรรมมีปัญญาเห็นโทษของกามถ้าถึงตอนนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็ก็ไม่ยอมติดเมื่อไม่ยอมติดความชอบความชังหรือว่าการเพลินใจเวลาได้หรือทุกข์ใจเวลาเสียมันก็ไม่มี อย่างที่มีคนก็สรุปว่าเนี่ยยามรุ่งก็สงบยามจบ ก, ก็พร้อมจากไม่ว่ามีหรือเสียไม่ว่าพบหรือพลาดไม่ว่าเจอหรือจากจิตใจก็สงบนิ่งได้เป็นปกติพรามีสติแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปสมะสุขนะสงัดจากกิเลสแต่ว่ามันก็ยังมีกิเลสอยู่จนกว่าจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งอย่างแท้จริงว่า สิ่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยนอกจากมันจะไม่เที่ยงแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์มันเจือไปด้วยทุกข์มันแฝงไปด้วยทุกข์มันไม่ใช่เจือไปด้วยทุกข์อย่างเดียวมันคือทุกข์ล้วนๆเจอไปด้วยทุกข์ก็หมายความว่ายัมีสุขอาจจะสุข4 0่ทุกข์หกซนะแต่ว่าพอมีปัญญาเห็นถึงระทั้งว่าโอ้มันทุกข์ล้วนๆมันเป็นตัวทุกข์หมายถึงว่ามันอยู่ภายใต้การบีบขั้นตัวมันเอง ไปบีบคั้นอันอื่นและตัวมันเองก็ถูกบีบคั้นจากสิ่งต่างๆมันอยู่ในซอที่เรียกว่าไม่สามารถจะคงตัวหรือทรงตัวได้เลยมีปัญญาเห็นแม้กระทั่งว่าจิตเนี่ยนะมันก็เป็นทุกข์นะไม่น่ายึดถือและไม่สามารถจะยึดถือได้แต่ก่อนอาจจะคิดว่าอยากจะให้จิตมีความสุขแต่พอร่วมเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ย ความคาดหวังจะให้มันสุขมันก็หมดไปอันนี้ก็เรียกว่าเกิดภาวะที่ปล่อยวางอย่างแท้จริงเพราะปล่อยวางอย่างแท้จริงเนี่ยก็หมายความว่าความผันผลลวนพนแปลต่างๆไม่ว่าเกิดขึ้นกับโลกภายนอกหรือภายในคือจิตมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ก็เริก่กเป็นสุขได้เหมือนกันนะเป็นสุขที่เรียกว่าสุขที่เกิดจากการเข้าใจเข้าใจสัจธรรมอย่างแท้จริง เห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆที่ไม่น่ายึดถือได้เลยสักอย่างอันนี้ท่านก็เลยว่าสัมโพธิสุขสุขจากการตรัสรู้ถึงตอนนี้กิเลสมก็ไม่มีแล้วตัณหามัก็หมดไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆเป็นสุขหรือแม้แต่จะให้จิตเป็นสุขเพราะว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้ยอมจำนนต่อความจริงก็เกิดปัญญาเป็นสัมโพธิสุข สุขจากการตรัสรู้แต่ม่นเปนสุขเหนือสุขนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสุขจากการที่ได้สัมผัสกับภาวะที่ไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นสุขในความหมายที่ว่าความทุกข์ไม่สามารถจะเข้ามาทำอะไรได้คือเรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกข์นะเหนือสุขเหนือทุกข์เพราะว่าถ้ายังมีสุขอย่างที่เราเข้าใจมันก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับ เป็นหน้ามือกับหลังมือต้องการยาหนึงแต่ปฏิเสธอีกยานี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อาจจะเปรียบเหมือนกับหลังมือสุกเหมือนกับหน้ามือหรือฝ่ามือเราบอกว่าฉันจะเอาสุกอย่างเดียวฉันไม่เอาทุกเลยมันก็เหมือนกับว่าเราจะเอาฝ่ามืออย่างเดียวไม่เอาหลังมือเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าไม่มีมือเลยนะพอไม่มีมือเลยเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าหมดทุกอย่างแท้จริง ไม่มีมือคือแล้วก็คือไม่มีตัวตนที่จะให้ยึดถือแม้แต่จิตก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะยึดถือได้มันว่างเปล่าไปเลยในความหมายที่เรียกว่าเข้าถึงสุญญตาคือไม่มีตัวตนให้ยึดถือหรือให้ให้คาดหวังว่ามันจะเป็นสุขต่อไปและเมื่อไม่มีตัวตนนี่มันก็ไม่มีความทุกข์จะเข้ามากระทบได้ มีแต่ความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกนะอันนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเว่ยหลังท่านเปรียนนะว่าถ้าไม่มีกระจกแล้วนี่ฝุ่นมันหรือธุรีจะมาเกาะได้อย่างไรก่อนนั้นนัคนก็ยังเชื่อว่าจิตเหมือนกับกระจกมันต้องขัดอยู่เสมอเพราะว่าฝุ่นมาเกาะฝุน่นมาเกาะ ก, ก็ต้องขัดอยู่เรื่อยๆต้องทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆแต่ว่า ถ้ายังคิดว่าจิตมันเป็นกระจกเนี่ยมันก็ต้องเสียงนะมันไม่ใช่แค่มีฝุ่นมาเกาะอย่างเดียวมันต้องระวังไม่ให้อะไรมากระทบด้วยเพราะถ้ามีอะไรมากระทบเช่นหินหรือก้อนกรวดมันก็ราวก็แตกได้แต่ถ้าจิตไม่มีเลยหมายถึงว่าไม่มีตัวตนเลยเหมือนกับไม่มีกระจกเลยฝุ่นมันก็ไม่ได้เกาะที่ไหนก้อนหินตกลงมาก็ไม่ทําให้อะไรแตกได้เพราะมันไม่มีตัวกระจกมารองรับก้อนหินนั้น อันนี้เรียกว่ามันว่างปล่าจากตัวตนจิตมันก็ไม่มีเหมือนกระจกที่จะต้องมามาคอยเช็ดหรือคอยระแวดระวังหรือว่าจะต้องบังเอิญต้องแตกเรว้วนะเพราะมีอะไรมากระทบอันนี้เรียกว่าไม่มีผู้ทุกข์ลวมันมีแต่ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เหมือนกับมันมีฝุน่นแต่ไม่มีที่เกาะทุกข์ก็มีแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ความทุกข์นั้นก็คือไม่มีพู้ทุกข์อันนี้แหละก็คือสภาวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะที่เหนือทุกข์เหนือสุขนะเป็นสัมโพธิสุขนะซึ่งมันคือจุดหมายนะที่ชาวพุทธนะเป็นอุดมคติของชาวพุทธที่จะไปให้ถึงที่จริงมันก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะเวลาบอกไปให้ถึงก็คือว่ามันอยู่ข้างหน้าแต่ที่จริงมันไม่มีไม่มีไปไม่มีมา มันก็อยู่แล้วท่านพุูโธเขาบอกว่ามันมันอยู่ต่อหน้าเราอยู่แล้วมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่ว่าเรามองไม่เห็นหรือเราไม่รู้เองว่ามันมีเพราะความหลงมันมันเหมือนกับสิ่งบางตาเราอันนี้แหละคือเป็นสุขที่ทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ปฏิเสธพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งความทุกข์ เป็นศาสนาที่เชิญชวนให้คนเนี่ยเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปจากการมาสุขสู่เนคขมมะสุขจากเนคขมมะสุขไปสู่ปวิเวกสุขจากปวิเวกสุขก็ไปสู่อุปสสมาสุขจนกระทั่งถึงสัมโพธิสุทั้งวันนี้เราจะเรียกว่านิรามิตสุกัะนมการมาสุขมันคือสุขเจออามิตรนะคืออามิตรสุขแต่ว่ามันยังมีสุขที่เหนือกว่านั้นพระพุทธศาสนาเนี่ย พระองค์มไม่ได้ปฏิเสธความสุขแต่เห็นว่ามันมีสุขที่ประณีตกว่าแต่ถึงที่สุดแล้วสุขเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมุ่งหวังหรือจะยึดติดได้แม้แต่อย่างเดียวแต่มันมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากการปล่อยวางเมื่อไม่ปล่อยวางเมื่อไม่โหยหาความสุขความสุขก็บังเกิดขึ้นแต่โหยหาเมื่อไหร่มันก็ยังแสดงว่า มีกิเลสอยู่และกิเลสนั้นมันก็ยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความสุขได้การปฏิบัติตลอดต่วิถีชีวิตที่พระองค์ได้ได้วางเอาไว้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะพาเราเข้าถึงความสุขแบบนี้เหมือนกับว่าเราล่องเรือไปตามกระแสน้ำอย่างที่เับบอกไว้วันก่อนความจริงสัจธรรมก็เหมือนกระแสน้าที่ไหลเชี่ยว เราก็เหมือนคนที่ล่องแพถึงแม้ว่าเราจะล่องแพแต่ก็ต้องระวังว่าอย่าไปชนกับแก่งอย่าไปชนเกาะที่มันอยู่กลางน้าเพราะฉะนั้นจะปล่อยตามจะถากรรมปล่อยชีวตตามจะถากรรมไม่ได้ต้องมีความใส่ใจไม่ประมาทแล้วก็ต้องพยายามที่จะคัดท้ายแพรเรื อ, รอให้มันล่องไปนะโดยที่ไม่ไป เกยตื้นหรือไม่ไปชนกับกองแกงถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ไปถึงทะเลทะเลนี่ก็ทั้งเปลี่ยนมา็นก้อนนิพพานก็หมายความแม่น้ําทุกสายนี่ก็พาไปสู่นิพพานท่านก็เปลี่ยนเป็นว่าสมาธิฐีนั้นเนี่ยย่อมนําไปสู่นิพพานได้ทั้งนั้ น, น, นรวมไปถึงชีวปรมจันด้วยก็สามารถที่จะพาไปสู่นิพพานไหลายรุ่มหลาลาดไปสู่นิพพานแต่ว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความ เราว้องระวังความรู้ต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ไหลหไปตามกระแสน้ำแล้วมันจะถึงที่หมายไม่ใช่นี่เราก็ต้องรู้จักด้วย